ไปเทศวงกว้างมันก็มีข้อดีนะคือคนใหม่ๆได้ฟังข้อเสียก็มีก็คือมันไม่เข้มข้นธรรมะมันไม่เหมือนเทศที่นี่นเทศที่นี่ธรรมะมันเข้มข้นกว่าที่อื่นไม่เหมือนกันคนที่มาที่นี่ส่วนมากเอาจริงเรียนกันจริงจังเรียนกันแลมปี บางคนก็แหลมเดือนบางคนหลายปีแล้วยังเอาดีไม่ได้ก็มีเหมือนกัน <c oughs> ทามาจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่รู้หลักที่เรามีความคิดมีความเชื่อเก่าๆของเราอยู่ต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ในหัวเราเต็มไปด้วยคําว่าทํา สิ่งที่เราทำนะมันจะสุดโตงไปสองฝั่งโดยธรรมชาติเลยอันหนึ่งทำไปตามกิเลสอีกอันหนึ่งทำต่อต้านกิเลสไม่มีเราทำแบบรู้ทันกิเลสใจเราไม่ไม่เข้าสู่ทางสายกลางใจมจะสุดโต่งไปตลอดแต่ถ้าเราใจเราเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้นะเส้นทางนี้ไม่ยากเกินไป แต่ก็เป็นเส้นทางที่ต้องภาคเพียนทําไม่ยากนะแต่ต้องทําให้ลิกขยันเกินไปนั่นก็โลภมากก็ไม่ได้อีกนะต้องมีความเพียนแต่ว่าไม่โลภอย่างเงี้ยมันไหลเงื่อนไขอะอาง่ายๆนะตองดูใจของเราไว้อย่าให้ใจมันสุดตรงไปสองฝั่งในเวลาที่เราภาวนานะมีสติก็แค่แระลึกรู้ ไม่บังคับมา่าต้องรู้ตลอดเธอบังคับให้รู้ตลอดนะี่ยตึงเกินไปถ้าไม่รู้นะใจล่องลอยไปสติอ่อนไปกนะ็เรียกย่อหย่อนไปมีสมาธินะแล้วก็เคลอบเลมีความสุขเผลอเพลินไปนะหรือเห็นโน้นเห็นนี่ไปอันนี้ย่อหย่อนไปควรทาสมาธิแล้วเครียดนะั่นเพ่งเอาเพ่งเอ า, บ, าบังคับค่มจิตให้สงบเลยไอ้นี่ตึงไป เดินปัญญาที่ก็นึกว่าแม้รู้สึกตัวแล้วมันจะเดินเองไอ้ น, นี่ย่อหย่อนไปพวกหนึ่งคิดพิจารณาค้นคว้าลงไตรลักตลอดเวลาคนะิดเอาคิดเอาคินเานาะยายามจะเขินให้ได้เลยให้เกิดปัญญาไอ้ น, นี่ก็ตึงเกินไปนี่เราต้องเป็นทางสายกลางในทุกๆจุดของการปฏิบัติเนละกระทั่งถือศีลนะตึงไปก็ไม่ได้นะหย่อนไปก็ไม่ได้ ถือศีลย่อนไปก็ศีลขาดหมดเลยถือตึงไปก็ถือเคร่งเครียดถือแบบงมงายไม่รู้ว่าถือศีลเพื่ออะไรคิดว่าต้องมีศีนไว้ก่อนไม่รู้ว่าศีลทําไปเพื่ออะไรจริงศีลเป็นการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้เรียบร้อยเพราะากายวาจามันเรีย บ, ร, ยบร้อยนะใจมันก็เรียบร้อยง่ายสมาธิมันก็เกิดง่ายไม่ใช่คิดว่าถือศีล เข้มงวดที่สุดเลยนะแทบจะกระดุกระดิกอะไรไม่ได้เลยคิดว่าจะได้บรรลุธรรมเพราะการถือศีลที่เข้มข้นขนา้นั้นส่วนใหญ่จะเกิดกิเลสด้วยซ้ำไปว่ากูเก่งนะกูดีกว่าคนอื่นคนอื่นเลวกว่ากูอีกในทุกจุดของการปฏิบัตินะค่อยๆสำรวจตัวเรามันย่อหย่อนเกินไปไหมหรือมันตึงเกินไปย่อหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้ตึงเกินไปก็ใช้ไม่ได้ ต้องพอดีพอดตีต้องพอดีตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่พอดีตามใจดีตามใจแต่ละคนน่ะไม่มีมาตรฐานนะไม่หย่อนไปก็ตึงไปส่วนมากเรื่องการที่จะคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยสําคัญไม่ใช่เราสู่ความสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งย่อหย่อนไปหรือตึงเครียดเกินไปให้รู้ทันไหม ตรงที่จุดที่ถูกนะคือจุดที่รู้ทันที่ผิดอย่าไปพยายามทําให้ถูกเลยแค่โลภอยากจะทํามันก็โลภแล้วกงรกกระทํา ท, ทั้งหลายเนะี่ยก็ทําไปด้วยโลภะทั้งสิ้นเลยอย่างเวลาเราอยากปฏิบัติทำเราไปเดินจงกรมในขณะที่เดินจงกรมนะโลภะยังอยู่เพรากิเลสเนี่ย มันเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมก็จริงนะแต่มันมีลักษณะพิเศษอย่างมันเป็นสหาชาตปัจจัยด้วยคือมันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมๆกันไอ้กิเลสเป็นสหาชาติปัจจัยของกรรมเป็นสหาชาติกันเกิดด้วยกันงั้นเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราไปลงมือปฏิบัติเดินชงกลมไปในขณะนั้นความอยากยังครอบงําจิตอยู่ถ้าความอยากครอบงําจิตเราไม่รู้ทันนะก็อยากอยู่นั่นแหละ ทำไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงสิ่งที่ได้มาจะเป็นอัตตากิลมธานุโยคขึ้นมาอีกจุดที่เราต้องรู้เท่าทันจิตใจของเราให้ประณีตนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไม่สังเกตแบบหมกมุ่นนะค่อยๆชำเลืองเป็นระยะระยะอย่าไปเฝ้าตลอดเวลาจ้องตลอดเวลาเฝ้าตลอดเวลาตึงไปลืมมันตลอดเวลานะก็หย่อนไปในเวลาปฏิบัตินะที่ว่า ทางเดินนี้เดินยากอย่างเลยมีจุดที่ผิดมากมายนะแต่จุดที่ผิดทุกๆจุดนะไม่ตึงไปก็หย่อนไปกนะ็ค่อยๆสังเกตไปเรื่อนยะอะไรที่เกินจะรู้ตามความเป็นจริงนะั้นก็ก็ตึงไปนะหรือว่าหย่อนไปนะทุกครั้งที่เราคิดถึงการปฏิบัติทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะคิดว่าทําอย่างไร ทำอย่างไรจะเจริญทำอย่างไรจะได้มรรคผลนิพพานเร็วๆในใจมันมีแต่คําว่าทำนะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในะทางสายกลางนะมาเรียนในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยคือการมาเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราไม่ได้เคยคิดที่จะเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงเลยเรคิดแต่ว่าจะทําอย่างไรนะถึงจะบร WOW, รลุเร็วๆถ้ายังมีคําว่าทำอยู่นะ พวกเราโดนหลอกแนละต้องตั้งใจแค่ว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะงานของเราต้องการแค่นี้ต้องการเรียนไม่ใช่ต้องการทําอะไรเลยวัยนี้เป็นวัยเรียนไม่ใช่วัยทำนะไม่ใช่วัยทํางานเป็นวัยเรียนวหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่เรียนเรามาเรียนรู้ว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นไงทําไมมาเรียนรู้กายรู้ใจ ก็กายกับใจนี้แหละที่เราสําคัญมั่นหมายว่าคือตัวกูของกูเนะลึกที่สุยก็คือตัวกูรองลงมาก็เป็นของกูยังหัดปฏิบัติไม่เป็นนะยังไม่เป็นเลยเนะี่ยร่างกายนี่เป็นตัวกูเนะนี่ยตัวเราละร่างกายนี้เข้ามาภาวนาเป็นแบบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้นะจะเริ่มเห็นว่าร่างกายมันเป็นแค่ของกูนะไม่ใช่ตัวกูแล้วมันลดระดับลงไปแนละ้วห่างออกไปมันห่างจากตัวรู้ออกไปห่างออกจากจิต มันจะรู้สึกจิตเป็นตัวกูอยู่ของอื่นเป็นของกูนะแล้วหลุดจากของกูไปก็เป็นของมึงไปกนะ็มีเขามีเรามีแยกพวกแยก พ, อพ้องขึ้นมานะเราลืมคาว่ารู้ลืมคำว่าเรียนตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงหน้าที่ของเรามีนิดเดียวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้นะ คำว่ารู้เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าจริงๆมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้ไปดัดแปลงมันเลยนะไม่ให้ลืมมันถ้าลืมมันหย่อนไปถ้าไปดัดแปลงมานะตึงเกินไปให้รู้อย่างที่มันเป็นนี่จะเป็นทางสายกลางใช่หไหมเรื่องของทางสายกลางนะพูดง่ายนะแต่ว่าโอกาสที่จิตเราจะเดินเข้าทางสายกลางจริงๆยากมากเลยนะต้องค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปไม่หย่อนไปก็ตึงไปแต่ถ้าระวังทาง หย่อนไปกับตึงไปนะให้ตึงไว้ก่อนเมื่อตอนตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนถ้าหย่อนแล้วไม่ได้อะไรถ้าหย่อนแล้วโอกาสที่จะไปอบายเนี่ยสูงถ้าตึงเนี่ยมีโอกาสไปสุขติแต่ไม่ไปนิพพานนะะนั้นอย่างไในยังไงก็ตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนทั้งหนึ่งเทวดาเคยมาถามพระพุทธเจ้าอันนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังหลายทีแล้วเทวดาเนี่ยสำคัญตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ มาถามพระเจ้าว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอค่าได้อย่างไรโอค่าคือพ่วงน้ําห่วงกิเลสนั่นเองกามโอค่าภาวะโอค่าอะไรนี่ยพ่วงข้ามห่วงน้ํานี้ได้อย่างไรจะคล้ายแหมขอมาแลกเปลี่ยนความรู้นะกูก็แน่เหมือนกันพระเจ้าท่านสอกกลับเทวดานี้สะใจมากเลยท่านบอกว่าเราข้ามโอค่าได้นะเราตถาคตข้ามโอค่าได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ เทวดางงเต๊กเลยทําไมต้องงงคําว่าไม่พักอยู่เนี่ยเทวดาเข้าใจแต่ไม่เพียรเนี่ยเทวดาไม่เข้าใจของเรารู้สึกไหมเราจะต้องทำโน่นทํานี่เทวดาเขาคิดว่าต้องทํามากๆนะเราจะบรรลุต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้กระทั่งทําความว่างหลายคนเลยคิดว่าทําจิตให้ว่างๆไว้ว่าหนึ่งบรรลุพระอรหันต์อนั้นทําเอาก็เป็นพบพบหนึ่งนะเหลวไหลใช้ไม่ได้นะ มีเยอะนะทุกวันนี้เที่ยวสอนกันให้ทาจิตให้ว่างๆไม่ยึดถืออะไรสักอย่างก็ยึดถือการจะไม่ยึดถืออะไรนั่นแหละนะเหมือนที่ผู้เทยเจ้าท่านสอบ ก, กลับทีคณะข่ า, ามาแล้วทีนี้คณะข่าไปบอกพระเจ้าไม่มีอะไรคู่ควรกับข้าพระองค์เลยใครใช้ฉันไม่ยึดเลยเลยท่านบอกว่ามันก็ยึดใ้ความเห็นที่จะไม่ยึดนั่นแหละเหมอนทุกวันนี้ในะอย่างก็จะว่างจะว่างนะเหลวไหลมากเลยนะมันก็สุดตรงไปเหมือนกัน เทวดางงพู้เจ้าบอกว่าเราตถาคตข้ามโอคาได้เพราะไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่นะพอ ง, งงแล้วก็ถามรถนะทิฏฐิมานะหลงถามผู้เจ้าว่าให้ให้ช่วยขยายความหน่อยเถอนะนี่ลดมาศของพระอรหันต์ลงแล้วนะอันนี้เป็นความดีอย่างยิ่งของเทวดานี้นะถ้าเทวดาวเหมือนกันแล้ววะทําเป็นเข้าใจนะแล้วหนีไปเลยนะ เทว ด, ดานี้ก็จะเป็นมิจฉาทิฐิเรื่อยๆไปแต่ไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนั้นพวกเราบางพวกนิสัยมิจฉาทิฏฐิจริงๆนะพอเรียนรู้พอรู้สึกแปลกใหม่กว่าที่ตัวรู้หนีไปเลยกลัวกลัวจะไม่เหมือนที่เคยคิดไว้ก่อนพระเจ้าท่านขยายความให้เทว ด, ดาฟังบอกว่าดูก่อนเทว ด, ดาถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไรเรามีความเพียรอยู่นะเราจะลอยขึ้น เราไม่พักเราไม่เพียนนะเราข้ามโอคาได้ด้วยเหตุนี้เธอดาบปิ้งเลยนะได้ธรรมะถ้าพักอยู่นะจะจมลงคือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนะี่ยจิตจะไหลลงต่าธรรมชาติของจิตนะียไหลลงต่าตลอดเวลานะเพราะกิเลสนะั้นมันหอมหวานในเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายส่วนมากจะวางความสุขเฉพาะหน้าเอาหอมหวานในเบื้องต้นไว้ก่อน ก็ตามใจกิเลสสนองกิเลสไปเรื่อยจิตใจที่ได้รับการตอบสนองกิเลสได้รับการตอบสนองเรื่อยๆนะมันจะคุ้นเคยกับกิเลสกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะมันจะดึงดูดจิตให้ต่ำลงเรื่อยๆเมื่อธรรมชาติจิตนั้นจะต่าลงไปเรื่อยๆถ้าพักอยู่คือไม่มีความเพียรที่จะยกระดับจิตใจขึ้นไปปล่อยตามใจกิเลสย่อหย่อนอย่างสาวๆนะขี้บน่นบ่นนิดๆหน่อยๆนะั่นพอแก่ขึ้นก็บ่นมากขึ้น พอแก่มากๆเนี่ยบ่นหมดเลยไม่มีคนให้บ่นแล้วฝนไม่ตกก็บ่นฝนตกก็บ่นร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นบ่นมันหมดเลยเพราะนี่ใส่ขี้บ่นบางคนขี้โมโหนะทีแรกก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยใจให้มันหงุดหงิดตลอดเวลาตามใจกิเลสปล่อยให้มันหงุดหงิดนั่นอนก็หงุดหงิดนั่นก็หงุดหงิดต่อไปมันก็สะสมนิสัยนะขี้โมโหไปหมดเลยมันสะสมทีละเล็กทีละน้อย เนี่ยจิตนีถ้าเราไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่รักษามันนะมันจะไหลลงต่ําเพราะว่ากิเลสมันทําง่ายมันยั่วยวนนะมันดึงดูดมันหอมหวานในเบื้องต้นส่วนการฝึกปฏิบัติธรรมนะในการทําคุณงามความดีนะมันหนักหนาในเบื้องต้นมันค่อยสบายในเบื้องปลายอย่างที่เราจะนั่งสมาธิทีแรกรู้สึกหนักหนาไหมกว่าจะเดินจงกรมได้ทีแรกหนักหนานะเขานั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นโอ้สบายนะ มีความสุขทุกก้าวที่เดินนะโอ้เต็มไปด้วยความสุขความสงบในจิตใจเนะนี่ยคุณงามความดีนะเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนนะเบื้องปลายมันหอมหวานความชั่วทั้งหลายนะี่เบื้องต้นมันหอมหวานเบื้องปลายมันเผ็ดร้อนนะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะหน้ามุ่งเอาเฉพาะหน้าไว้ก่อนก็เลยตามใจกิเลสฉนั้นจิตโดยนมาทำมชาติเนี่ยมันจะ พรามที่จะพักตลอดอาตามใจกิเลสตลอดจะไหลลงต่ำตลอดยิ่งนานวันไปยิ่งเร็วลงเรื่อยๆงั้นอย่างคนนะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่เคยภาวนาไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะีใจมันจะแย่นะคุณภาพของจิตจะแย่นะแต่ถ้าคนไหนภาวนานะอยู่ไปนานจนแกนะยิ่งผ่องใสนะ พรากเราถ้าไเห็นคนอายุเยอะๆนะจะรู้เลยพวกครูบาอาจารย์ที่ท่านอายุมากๆนะท่านงามมากนะผ่องใสามากเลยท่านจะทําอะไรเนี่ยดูงามไปหมดเลยเห็นแล้วมันจับจิตจับใจนะงดงามเพราะท่านมาภาคเพียญลําบากยากเย็นมาก่อ น, นมาถึงจุดที่ท่านแก่ขนาดนั้นนะดูดีจริงๆเลยงดงาม คนทั่วๆไปนะพอแก่ลงดูไม่ค่อยจะได้เลยมโมโหโธโสหุดหิดอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันมีธรรมชาติอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมันมันจะไหลลงตำ่ำงั้นเบื้องต้นนะต้องเพียรไว้ก่อนนะต้องเพียรไว้ก่อนตึงไว้หน่อยหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านให้อุบายให้ตึงไว้หน่อยหนึ่งไม่ใช่ตึงมากนะตึงมากไปไม่รอดหรอกนะท่านบอกให้ตึงไวน้นิดนะิด หลวงพ่อชาอลไรพูดอย่างนี้เบื้องต้นให้ตึงไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเบื้องต้นจะเอาพอดีแม้กะจะเอาทางสายกลางจะย่อนไปเสมอเลยนะเพนั้นเบื้องต้นตึงไว้นิดหน่อยเช่นตั้งใจไว้ทุกวันจะทําในรูปแบบนี่ตึงไวนิดหน่อยนะทุกวันทําในรูปแบบนี่ถือว่าตึงนิดหน่อยแล้วนะถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมสุดนละิสุ ด, สดเดชของเราแต่ละวันเนี่ยนะทำได้แค่15นาทีหรือ10นาทีอะไรเนี่ยนะ บรงต้นเราตั้งปณิธานเลยนะสืว่าเราทำได้10นาทีนะสนี่ยสบายๆนะนาทีเนะี่เริ่มลำบากลนะถ้าย0นาทีทุกทรมานนะเรานั่ง15นาทีนะให้มันตึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วพอจิตใจมันได้รับการฝึกอบรมดีขึ้นดีขึ้นนะมันประนีตขึ้นนะมันจะเพิ่มเวลาได้เองงั้นที่หลวงพ่อบอกพวกเราว่าหลวงพ่อขอ15นาทีเท่านั้นแหละขอ10นาทีเท่านั้นแหละนะ อันนี้ก็เป็นอุบายนะเป็นเทคนิคในการปฏิบัติเบื้องต้นจะเอาถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราว่าตู้วันนั่งสมาธิให้หลวงพ่อวัละสองชั่วโมงนะพวกเราก็นั่งได้วันเดียวนะรับปากไว้ก็นั่งหนึ่งวันที่เหลือก็เหมือนเมื่อคืนนึกๆในใจนะบางคนไหว้พระสวดมนต์ไปวันนี้ขี้เกียจเหมือนเมื่อคืนเจ้าข่าบอกพระนะ <c oughs> แล้วขอพร อ, อย่าง น, นั้นอย่างนี้นะต้องอดทนนิดๆนะ ยอมลำบากหน่อยเพราะว่าจิตใจเราถ้าจะเอาแต่สบายเอาแต่พอดีนี่มันจะไหลลงต่ําเลยเพราะว่ามันรักที่จะตามใจกิเลสรักสุขรักสบายนะรักความเพลิดเพลินในโลกเอาลําบากนิดๆไม่ต้องลําบากมากสิบนะนาที15นาทีอะไรเงี้ยทาไปทุกวันขอยอย่างเดียวต้องสม่ําเสมอสม่ําเสมอหมายถึงว่าป่วยหนักก็ทํานะป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นแล้วละ่ะ ทำยังไงก็นอนสมาธิมันนอะถึงเวลานอนไหว้พระสวดมนต์ยกมือไม่ขึ้นแล้วก็สวดในใจไปนะสวดในใจไปอ้าปากไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยให้ใจมันทําข้อวัดที่เคยทําให้สม่ําเสมอนะให้เด่นเดี่ยวไว้นะถ้าเกิดจะต้องตายอะไรเนี่ยจะไปสุคติเลยเพราะว่ามันพักเพียรอยู่ไม่ได้ยอ่ยอห ย, ย่อนนะแต่ถ้าเราตามใจกิเลสนะเราจะไหลลงต่ํา ถ้าเราพาคเพียนนะแต่เพียนแรงเกินไปนะใจก็เครียดกายลำบากใจลำบากนะไม่นานก็ท้อแท้ใจก็เลิกไปนะแล้วการปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ใช่ลำบากเกินไปลำบากเกินไปใช้ไม่ได้ทำทรมานมากนะหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนนะทำแล้วใจเครียดตลอดเวลาเลยนะเครียดมากนะแค่นเดินจงกรมเดินมัน เอาชนะมันให้ได้ใจคิดแต่จะเอาชนะใช้ไม่ได้จริงงั้นทุกวันเราทำในรูปแบบนะเท่าที่เราทำไหวนะให้มันลำบากนิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วแต่เราวันนี้มันพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นการที่เราเข้มแข็งนะเราเข้มแข็งเราอดทนด้นะนานนานไปกลายเป็นพลังนะพลังจิตจะเข้มแข็งมากขึ้น อย่างคนไม่เคยสวยดมนต์นะไปสวดก็ตั้งใจสวดสวดทุกวันนะสวดไปเรื่อยๆพลังจิตจะเพิ่มขึ้นนะเวลาทําอะไรเนี่ยจะเข้มแข็งห้าวหันกระทั้งจะภาวนาก็เข้มแข็งจะทำงานทางโลกก็เข้มแข็งจะตัดสินปัญหาชีวิตนะก็เข้มแข็งนะ <c oughs> ไม่ใช่ปอแปรปอแปร้องขอตลอด <c oughs> มันต้องสู้เอานะต้องสู้เอา <c oughs> แล้วก็เวลาที่เหลือนะ เวลาที่เหลือนอกเหนือจากการปฏิบัติในรูปแบบเพื่อเพิ่มพลังจิตพลังใจของเราแล้วเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่คิดว่าจะเอาอะไรคิดว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจไปฉะนั้นร่างกายเดินอยู่ยืนเดินนั่งนอนนี่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ยืนอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันยืนใจเราเป็นคนดูดูไปดูไปไม่รู้สึกขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันก็รู้สึกว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้มันอย่างที่มันเป็นดูมันอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกแต่ตอนที่รู้สึกเนี่ย จิตต้องเป็นคนดูจิตต้องแยกออกมาเป็นคนดูถ้าจิตไหลเข้าไปรวมนะกับร่างกายเป็นก้อนเดียวกันนะมันจะไม่รู้สึกหรอกว่าไม่ใช่ตัวเรานะคําว่าตัวเราตัวเรามันเห็นเป็นอัตตา น, ะนี่จริงเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่ปิดบังอนัตตาคือคณะขรั่งคังนอนหนูคณะการที่ขันมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกนะ็ทําให้รู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาแต่ขันมันกระจายออกไปนะตัวเราจะไม่มี ขันจะกระจายได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนี่แยกรูปแยกนามนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนี่ก็แยกแยกขันออกไปนะกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนะ่กิเลสอย่างความโกรธกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเป็นโคราอันกันค่อยๆแยกแยกๆนะพอแยกได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนที่จิตไปรู้เข้าน เหมือนไปเห็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจริง ๆ, ๆก็จะเห็นเลยไม่ใช่คนด้วยซ้าไปเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปมามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวกินน้ําเดี๋ยวเงือออกไปปัสสาวะออกไปนะเดี๋ยธาตุมันหมุนไปเรื่อยเลยไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของเที่ยงธาตุมันไหลตลอดเวลาเคลื่อนตลอดเวลา แล้วก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนวัตถุเบื้องต้นก็ยืมก้อนวัตถุนี้มาจากพ่อจากแม่นะแต่อมาก็มายืมวัตถุของโลกมาเลี้ยงให้ตัวนี้โตขึ้นมานะสุดท้ายก็คืนก้อนนี้ให้โลกไปในตะัวกายตามความเป็นจริงนะมาเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะ มาเรียนรู้จิตตามความเป็นจริงแล้วจิตเป็นยังไงคอยรู้มันไปไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตไม่ใช่การดัดแปลงจิตนะถ้าดัดแปลงจิตเนี่ยตึงเกินไปนถ้าปล่อยไปเลยไม่สนใจจิตเลยนี่หย่อนไปนให้รู้จิตอย่าที่จิตมันเป็นจิตมีความสุขก็ให้รู้จิตมีความทุกข์ก็ให้รู้เหมื อ, ม น, อนที่พุทธเจ้าสอนเลยนะดูคราภิกสูทั้งหลายนะเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ว่ามีความทุกข์ ดุขราภิกษุทั้ทงหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาดูขราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูขราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูขราภิกษุทั้งหลายนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูไม่มีแต่คําว่ารู้นะรู้อะไรรู้กายร anh, espa, masa, er ู้ใจนั่นแหละ ยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดนะว่ารูปมันยืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่ารูปมันเดินอยูนะ่รู้ลงไปรู้ให้เห็นไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยนี่แหละคือการเรียนนะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจดูกายอย่างที่กายมันเป็นดูใจอย่างที่ใจมันเป็นสุดท้ายไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของก า, ขายของใจตัวนี้เรเียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา พวกเราบุญนะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี้ยเป็นพระพุทธเจ้าที่เลิศด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าในอดีตนับจํานวนไม่ท้วนหลวงปู่ดูลท่านบอกมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคามันเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีมากแต่ในพระพุทธเจ้าที่มากมายมหาศาลนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ปัญญามากนะก็ไม่มากกว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ งันพระวุทิชาของเราเนี่ยปัญญา ก, กล้าที่สุดละธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยหลากหลายพิสดารมากนะมีเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยท่านไม่ไม่ถ่ายทอดธรรมะมากนะพระวินัยท่านก็ไม่บัญญตนะัติอะไรเงี้ยพอสิ้นท่านไปไม่นานนะาศาสนาก็หายไปนี่สิ้นไปตั้งหลายเจเนเรชันประมาณส0สิบเจเนเรชันนะก็ยังอยนะงู่นพวกเรา เรียนรู้สิ่งที่พุทธเจ้าของเราผู้มีปัญญามากนี่และสอนไว้ใจของเรามีปัญญาตามท่า น, นเราก็ไม่เหนื่อยมากถ้าเดินด้วยวิธีอื่นนะไม่ใช่เดินเน้นด้วยปัญญาเดินด้วยสมาธินี่จะลำบากกว่านี้อีกเยอะเลยถ้าเดินด้วยศรัทธาด้วยวิริยะนะลำบากสุดขีดเลยเพราะว่าการจะถึงความบริสุทธินั้นถึงด้วยปัญญาไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีใดนะสุดท้ายต้องมาเกิดปัญญา ปัญญาเห็นอะไรเห็นอริยสัจนะเห็นแจ้งอริยสัจอริยสัจเห็นยังไงเห็นรูปเห็นนามนี้แหละว่าตัวทุกข์นะีกว่ารู้ทุกข์นี่เรียกเห็นอริยสัจพอรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยอัตโนมัติเลยนะกลายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะเห็นอย่างนี้นะถ้าภาวนาสุดขีดนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเั้นความอยากจะไม่เกิดขึ้นเลย ความอยากทั้งหลายแห ล, ล, ล, ล่นะมันจะเป็นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์แล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นแจ้งแล้วความอยากให้มันหายทุกข์นั้นไม่มีเลยนะความอยากให้มันเป็นสุขก็ไม่มีเลยความอยากใดๆก็ไม่มีเลยนะงันเมื่อไหร่รู้ทุกข์แยมแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยละความอยากเด็ดขาดเมื่อไหร่ปราศจากความอยากนะเมื่อนั้นแจ้งนิโรธนะแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นสภาวะที่สิ้นอยากนั่นเองนะ รู้ทุกเมื่อไหร่ก็ลาสมุทยัยเมื่อนั้นลาสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่นะในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรณะงั้นมันเป็นที่ตัวปัญญานะที่จะเกิดมากเกิดผลเนี่ยอาศัยตัวปัญญานี้เองจิตเึงรู้แจ้งอริยสัจเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระเจ้าถึงว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีการอื่นๆของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นท่านก็เลิศทุกอ ง, งะนะ แต่ว่าแต่ละองค์บางองค์ท่านภาวนาลำบากมากเลยภาวนานานมากเลยอย่างพระเสียธยาเมตรตรเนีภาวนานานมากเลยนะสร้างบารมีนานยาวนานที่สุดเลยยาวนานขนาดสิอสงไขยแสนมหากรัปพระเจ้าเราสี่อสงไขยแสนมหากับคนรุ่นหลังบางทีนะไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าเราทํามาทีหลังแล้วบรรลุก่อนก็ไปแต่งนิยายนิทานว่าพระเจ้าเราไปขโมยดอกบัว อธิษฐานของพระสีอานมาเคยได้ยินไหมท่านได้เร็วเพราะว่าท่านไปด้วยปัญญานะงั้นพวกเราเนี่ยฟังให้เข้าใจก่อนการฟังให้เข้าใจนี่เรียกว่าสุตตะมยะปัญญานะแล้วก็ทบทวนดูทบทวนดูใช้เหตุใช้ผลนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้เป็นจินตามยะปัญญาแล้วลงมือดูของจริงดูกายเรียนรู้กายตามที่กายเป็นเรียนรู้ใจตามที่ใจเป็นนะนี่เรียกว่าภาวนามยะปัญญา สุดท้ายก็จะแจ้งอริยสัจกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะแจ้งอริยสัจได้ก็หลุดพ้นมาจากกองทุกข์ทั้งมวลนะไม่มีทางปฏิบัติอะไรที่วิเศษกว่านี้แล้วละ่ะนี่สั้นที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เดินในเวลาสั้นที่สุดแล้วละ่ะเห็นบางคนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนานกว่า น, นั้นอีกนะตั้ง40่สอสงไขยแสนมาหากรับทําไม่นานขนาด น, นั้นท่านไม่มีโอกาส ได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธเจ้าอื่นเลยงั้นลองผิดลองถูกเอาเองเนี่ยสุดยอดเลยนะอดทนมากเลยพักเพียรมากเลยในการลองผิดลองถูกเวลาทําบุญก็ขัดทุนนะพระโพธิสัตว์อื่นไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าก็บุญเยอะใช่ไหมทำบุญกับพระละหันก็บุญเยอะองค์แรกนี่ไม่มีพระละหันให้ทําบุญด้วยเลยไม่มีพระพุทธเจ้าให้ฟังธรรมเลยงั้นท่านผ่านได้ท่านก็เข้มแข็งนะเราไม่ใช่ว่าลืมคุณของท่านหรอก แต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าถ้าเราต้องการพ้นทุกเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองวกนี้สมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วสั้นที่สุดอยู่แล้วไม่มีสั้นกว่านี้นะ<ม>พระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีคุณสูงนะมีพระคุณอย่างยิ่งเลยการที่เราได้มาเกิดในยุคที่ธรรมะของท่านยังดํารงอยู่นี่เป็นบุญอย่างยิ่งเลยแต่และพระองค์แต่และพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศทั้งสิ้นนะควรเอา ไว้เคารพกราบไหว้นะแล้วก็ฟังคําสอนของท่านแล้วลงมือทําซ ะ, ะถ้าใครปรารถนาพุทธภูมิก็อมุ่งพุทธภูมิไปสร้างบารมีไปพุทธภูมิไม่ใช่เอาแต่พูดเสียเวลาพุทธภูมิต้องลงมือสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีให้เต็มที่เลยแล้ ว, วันหนึ่งไปเป็นพุทธเจ้าถ้าใครไม่คิดจะไปทํางานนั้น ก็พอนาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงไปด้วยเห็นความจริงของรูปนามกายใจจิตปล่อยวางก็พ้นทุกตรงนั้นแหละเราก็เป็นอนุพุทธะไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ปัจเจกพุทธะปัจเจกพุทธะท่านเรียนรู้ของท่านเองแต่ไม่ได้สอนใครแต่ใครมาถามก็บอกนะแต่ว่าคนไม่ค่อยมาถามหรอกเหมือนทั่วอันนี้คนเข้าวัดทั่วๆไปไม่ค่อยไปถามธรรมะหรอกนะไปถามหวยซะมากกว่านะ พระปัดเจกท่านก็คงเบื่อคนมาถามแต่หวยไม่ถามธรรมะท่านก็ไม่สอนเอาไปกินข้าวนะไป